พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่27มหาสกุลุทายิสูตรสูตรว่าด้วยสกุลุทายิปริพาชกสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวนาวรามใกล้กรุงราชครึกครั้งนั้นปริพาชกที่มีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในปริพาชการามอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยุง หลายคนด้วยกันเช่นอณนนภาระปริพาชกวรตระปริพาชกสุกุลุทายิปริพาชกและปริพาชกที่มีชื่อเสียงอื่นๆในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบินธบารในกรุงราชครึกได้เสด็จแวะณอารามของปริพาชกนั้นสุกุลุทายิปริพาชกถูนเชิญให้ประทับณอาสนะที่ปู่ไว้ น, นั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าแล้วเล่าถวายถึงข้อความสนทนากันของสมณพราหมลธิต่างๆซึ่งประชุมกันในศาลาฟังความคิดเห็นแต่ในวันก่อนๆที่ว่าเป็นลาบของชาวอังคะมะะักะทะที่มีสมณพราหมณ์เจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีคนรู้จักมียศเป็นเจ้าลัทธิอันคนส่วนมากนับถือกันว่าเป็นผู้ดีงาม จมพรรษาอยู่ในกรุงราชฤทธ์แล้วระบุชื่อครูทั้งหกมีปุรณะกัส ป, ปะเป็นต้นมีนิครนทนาตะบุตรเป็นที่สุดและพระสมณะโคดมแล้วได้เกิดปัญหาว่าในท่านเหล่านี้ใครเป็นผู้ที่สาวกสักการะเคารพบูชาอาศัยอยู่แล้วได้ทูลเล่าต่อไปว่าบางคนได้พูดถึงเจ้าลทัทธิทั้งหกแต่และคนว่าสาวกได้คัดค้าน หาว่าปฏิบัติผิดไม่แสดงความเคารพสักการะแต่เมื่อกล่าวถึงพระสมณะโคดมก็พากันสรรเสริญว่าในขณะที่ทรงแสดงธรรมท้าสาวกรูปใดไอก็จะมีเพื่อนโพรมจารีใช้เข่ากระตุ้นไม่ให้ทาเสียงจึงไม่มีเสียงจามเสียงไอจากสาวกของพระสมณะโคดมในขณะที่ทรงแสดงธรรมหมู่มหาชนประสงค์จะฟัง ก็จะได้ฟังตามพอใจแม้สาวกของพระสมณะโคดมที่บอกคืนสิกขาศึกออกไปก็กล่าวสรรเสริญสัสดาสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์เป็นคนทำงานวัดบ้างเป็นอุบาสกบ้างสมทานศึกษาในสิกขาบทห้าหรือศีลห้าพระสมณะโคดมจึงเป็นผู้อันสาวกสักการะเคารพนับถือบูชา อาศัยอยู่อย่างนี้ตรัสถามว่าท่านเห็นว่าสาวกของเราเห็นธรรมะกี่อย่างในเราจึงสักการะเคารพเป็นต้นส ก, กุลุทายิปริภาชกทูลว่าห้าอย่างคือพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มีอาหารน้อยพันนาคุณแห่งความเป็นผู้มีอาหารน้อยสันโดษด้วยจีวรเครื่องนุ่งหม่มบิณฑบาตอาหาร และเสนาสนะที่นอนที่นั่งหรือที่อยู่อาศัยตามมีตามได้พันนาคุณแห่งความสันโดษนั้นๆเป็นผู้สงัดพันนาคุณแห่งความสงัดตรัสตอบชี้แจงถึงธรรมะห้าประการที่สาวกเห็นแล้วสักการะเคารพในพระองค์โดยละเอียดแล้วตรัสชี้ข้อธรรมะอื่นอีกห้าข้อคือหนึ่ง เห็นว่าทรงมีศีล2เห็นว่าทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุมีปาฏิหารไม่ใช่ไม่มีปาฏิหารสามเห็นว่าทรงมีปัญญาสเห็นว่าทรงตอบปัญหาเรื่องอริยสัจสี่อย่างน่าพอใจห้า เราได้บอกปฏิปทาแก่สาวกของเราสาวกของเราปฏิบัติตามแล้วก็เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างส ม, มปทานหรือความเพียรชอบสี่อย่างอิทิบาทหรือธรรมะให้บรรลุความสำเร็จสี่อย่างอินทรีคือธรรมะอันเป็นใหญ่มีศรัทธาเป็นต้นรวมห้าอย่างพละคือธรรมะอันเป็นกําลังห้าอย่าง โพ่ชงคือองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้เจ็ดอย่างอาริยมรรคหรือทางอันประเสริฐมีองค์แปดวิโมกคือความหลุดพ้นแปดอย่างอาภิพายตนะอายตนะอันเป็นใหญ่แปดอย่างคือมีความสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกครอบงำรูปเหล่านั้นรู้เห็นเป็นต้นกสีนายตนะ คืออายตนะคือกสินสิบอย่างมีปัทวีกสินคือกสินมีดินเป็นอารมณ์เป็นต้นชาญสี่รู้ว่ากายมีรูปไม่เที่ยงมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาวิญญาณอาศัยเนื่องกับกายนั้นนิรมิตกายอื่นได้หรือมโนยิทธิฤทธทางใจแสดงฤทธิได้มีหูทิปรู้ใจคนคือเจโตปริยญาณ ประลึกชาติได้มีตาทิพหรือเห็นความตายความเกิดได้บรรลุความหลุดพ้นเพราะสมาธิและเพราะปัญญาอันไม่มีอาสวะสุกุลุทายิปริภาชกก็ชื่นชมพาสิทธของพระผู้มีพระภาค